ามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่สิบสามเจ้าพระยานครราชสีมาตัดหัวยวนห้าร้อยหกสิบสองหัวส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้ากรุงยวนฝ่ายทัพเรือยวนยกมาถึงท่าข้ามฝั่งลำแม่น้ำโขงพร้อมกันแล้วองค์ูเลยแม่ทัพฝ่ายบก สั่งให้องถูเลือกแม่ทัพหน้าฝ่ายบกยกลงเรือคุมไพรพนแปดร้อยเศษข้ามลำแม่น้ำขงมาถึงฝั่งตะวันตกที่ค่ายไทยตั้งอยู่นั้นทัพยวนกองหน้าไม่เห็นไทยตั้งอยู่ต่อสู้อยู่ในค่ายและนอกค่ายมีแต่ค่ายเปล่ายวนก็เข้าใจแน่ว่าทัพไทยล่าหนีไปสิ้นแล้วจึงกรูกันยกเข้าค่ายในเวลาบ่ายสองโมงพร้อมกันทุกทัพทุกกองในค่ายไทยนั้น ไม่มีเครื่องศาสตราวุธเลยมีแต่สเสบียงอาหารดิบสุกอยู่ในค่ายบ้างเล็กน้อยยวนก็เข้าใจว่าไทยรู้ตัวก่อนว่ากองทัพยวนยกใหญ่มาไทยจะตั้งอยู่สู้ไม่ได้จึงทิ้งค่ายหนีไปเสียก่อนแล้วครั้งนั้นยวนไม่มีความสังเกตสงสัยในค่ายไทยว่าจะมีกลนอบายยวนจึงยกไพรพนทาหารกองหน้าแปดร้อยคนเข้าไปตั้งพักอยู่ในค่ายไทย ทั้งองค์ถูเลือกแม่ทับหน้าก็เข้าไปอยู่ด้วยแล้วองค์ถูเลือกแม่ทับหน้าแต่งหนังสือเป็นข้อความว่าไททิ้งค่ายหนีไปเสียแล้วส่งไปให้องค์กูเลยแม่ทับใหญ่ซึ่งตั้งทับบุกอยู่ณฝันะ่งลําแม่น้ำโขงฝั่งตะวันออกให้ทราบแล้วจึงตั้งฝั่งราชการอยู่ณฝันะ่งตะวันออกหาข้ามฟากมาใหม่เพราะไม่มีการรบกับไทย เวลาบ่ายเย็นแล้วไพรพลญวนซึ่งตั้งอยู่ในค่ายนั้นจึงนำอาหารดิบของไทยในหม้อขึ้นหุงต้มบนเตาไฟเก่าในค่ายเป็นหลายสิบเตาครันไฟในเตาติดคุร้อนไหมหลงไปถึงชนวนดินดำที่ฝังล่ามขึ้นมานั้นไฟไหมชนวนแล่นรอบไปติดดินดำขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียงดังกำปนาดหวาดหวั่นไหวสะเทือนสถานแผ่นดินดังพัุถาจะถล่ม เสียงดังดุดเสียงอัตนีบาทครั้งนั้นถังดินดำและปืนใหญ่ที่บรรจุ ก, กระสุนและก้อนศิลาไว้นั้นก็ระเบิดแตกเป็นภาคน้อยภาคใหญ่กระเด็นไปถูกต้องไรพลยวนตายมากที่ป่วยลำบากมีบาดแผลอยู่นั้นก็มากที่เหลือตายหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าได้บ้างหมาและโคต่างที่ไม่ตายก็หนีเข้าป่าไปครั้งนั้นพระยาพิชัยสงคราม กับพระยาชนะพลแสนยกล่าถอยทัพไปภายหลังเดินทัพรอฟังเหตุการณ์ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นข้างหลังเหมือนฝารองจึงเข้าใจแน่ว่าของทัพยวนเสียทีต้องด้วยกลอุบายเจ้าพระยานครราชสีมาแล้วขณะนั้นพระยาพิชัยสงครามสั่งหลวงวิสุทธาวุธกับพระพมมาธิปดีลายกองลาวเมืองนครราชสีมาขุมทหารมา้าสิบมา รีบไปสืบ ร, ราชการที่ค่ายกนอุบายดูยวนจะเป็นประการใดแล้วพระยาพิชัยสงครามกับพระยาชนะพลแสนก็ยกสนทหารห้ารอยตามลงไปด้วยถึงค่ายกนอุบายเห็นยวนตายประมาณห้าเศษที่เหลือตายมีบาดเจ็บลำบากประมาณ100ร้อยเศษถามยวนที่ลำบากนั้นแจ้งความว่าที่มีบาดแผลแต่น้อยพอเดินได้ ก็วิ่งหนีเข้าป่าไปได้บ้างประมาณหกสิบเศษพระยาพิชัยสงครามสั่งให้พระพรห ม, มาธิบดีกับหลวงวิสุทธาวุตรขุมไพรพลไปตามจับยวนที่หนีไปในป่าใกล้ๆจับมาได้หกสิบสี่คนครั้งนั้นพระยาพิชัยสงครามเห็นเป็นทีมีเรือรบของยวนจอดอยู่หน้าค่ายไทยมีปืนใหญ่น้อยพร้อมแล้วพระยาพิชัยสงคราม กับพระยาชนะพลแสนไล่ต้อนทหารไทยหลงเรือรบยวนถิ่งไว้หน้าท่าไม่มีผู้คนพิทักษรกษาทั้งสี่สิบลำไทยกทัพเรือข้ามลำแม่น้ําโขงได้ไปตามตีกองทัพใหญ่ฝ่ายยวนที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกองค์กูเลยแม่ทัพใหญ่ฝ่ายยวนตั้งทัพอยู่ที่ฝั่งลำแม่น้ำโขงเห็นทัพหน้ายวนเสียทีตายด้วยกบายไทยดังนั้นแล้วและไทยยกทัพเรือของยวนข้ามมาตามสีกองทัพองคูเลย องคูเลยก็ยกทัพใหญ่ล่าถอยหนีไปแต่ก่อนเมื่อไทยกําลังข้ามฟากมานั้นครั้นพระยาพิชัยสงครามถึงฝั่งตะวันออกไม่เห็นทัพใหญ่ฝ่ายยวนยวนหนีหมดแล้วจึงปรึกษากันกับพระยาชนะพลแสนว่าทัพยวนองค์กูเลยเป็นทัพใหญ่ล่าถอยไปครั้งนี้มิได้แตกพ่ายแก่เราเราจะยกไปตามตีต่อไปอีกหาพวนใหม่ควรแต่จะกลับไปฝั่งราชการ รอรังอยู่หน้าฝั่งลำแม่น้ำขาขงฝากตะวันตกจึงจะชอบด้วยราชการคิดดังนั้นแล้วจึงกลับทับเรือมายังที่ค่ายเดิมแล้วพระยาพิชัยสงครามสั่งหลวงประสิทธิ์ศาสตราให้ขึ้นม้าเร็วคุมทหาร ม, ามา้าสามสิบม้าถือหนังสือบอกข่าวราชการที่มีชัยชนะแก่ยวนยวนตายตามคนอุบายนั้นไปส่งให้เจ้าพระยานครราชสีมาตามทางป่าฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมา จังมีหนังสือตอบมอบให้หลวงประสิทธิ์ศาสตรานำกลับไปให้พระยาพิชัยสงครามใจความว่ า, วาให้พระยาพิชัยสงครามคิดกับพระยาชนะพลแสนเก็บเรือรบยวนสี่สิบลำเผาไฟเสียให้หมดเก็บไว้แต่เรือเล็กน้อยสักสี่ลแล้วให้ตักศีรษะยวนที่ถูกดินดำระเบิดตายกับยวนที่ป่วยลำบากมีบาดแผลมากก็ให้ตักศีสาะเสียด้วย แล้วรวมศีษะยวนทั้งสิ้นลงเรือบรรทุกในเรือยวนสี่ลำให้ผูกเรือติดเป็นพวกเดียวกันแล้วถึงนำยวนที่มีบาดแผลเจ็บป่วยเล็กน้อยตัดมือตัดเทา้าเสียทั้งสองข้างให้เป็นนายเรือคุมศีษะพวกมันไปลำละสิบห้าคนแล้วให้เขียนหนังสือผูกคอยวนที่ตัดมือตัดเท้านั้นทุกคนเป็นหนังสือจีนภาษายวนบ้างเป็นหนังสือขอมภาษาเขมีบ้าง เหนือความถูกต้องกันว่าหนังสือนายทัพนายกองฝ่ายไทยซึ่งเป็นกองทัพปีกหนึ่งของท่านแม่ทัพใหญ่แจ้งความมาถึงแม่ทัพนายกองฝ่ายยวนให้พลเมืองชาวบ้านและลูกค้าพาณิชฝ่ายยวนได้แจ้งว่าเราได้ให้ไพ่พลในกองทัพไทยไปเที่ยวเก็บได้สีสะ ย, ยวนห้าร้อยหกสิบสองสีษะบรรทุกเรือสี่ลำ ส่งเข้ามาเป็นบรรณาการถวายพระเจ้ากรุงเวียดนามซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าเวียดนามมินมางดึกว่างดีพระเจ้าแผ่นดินกรุงเวขอจงได้ทรงทราบว่าซึ่งนายทัพไทยได้ทรงศรษสะยวนเข้ามาถวายทั้งนี้เพื่อจะขอพระราชทานแลกเปลี่ยนศรีษะไพรคนในกองทัพพระยานครสวรรค์ซึ่งแม่ทัพยวนข่าเสีย ที่ริมฝั่งแม่น้ำขงท่าข้ามใกล้เมืองลาวพันคนนั้นขอท่านนายทัพนายกองฝ่ายยวนและเจ้าบ้านผ่านเมืองหรือด่านขนนของยวนทุกตาบลผู้ใดได้พบปะเรือบรรทุกสีสะยวนห้าร้อยหกสิบสองีสะนี้ซึ่งส่งมาแลกเปลี่ยนศพไทยพันหนึ่งนั้นแต่บรรดาท่านที่ได้พบเรือสี่ลำนี้ขอจงเห็นแก่ทางไมตรีเพื่อนสนุกในการศึกสงครามมาด้วยกัน ช่วยสงเคราะห์ส่งเรือสี่ลำนี้ไปให้ท่านเสนาที่บดีกรุงเวท่านเสนาที่บดีกรุงเวจะได้นำศรีสายวนขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าเวียดนามตามความประสงค์ของนายทัพไทยด้วยเถิดเมื่อพระยาพิชัยสงครามและพระยาชนะผลแสนได้ทราบหนังสือบังคับสั่งมาแต่เจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพใหญ่ดังนั้นจึงกระทาตามคาสั่งทุกประการ แล้วจึงเผาค่ายทําลายเรือรบเก่าใหม่เสียสิ้นก็เก็บแต่ดินดําและเครื่องศาสตราวุธของยวนที่ตายบนค่ายและในเรือรบได้สิ้นแต่ปืนใหญ่ในเรือรบยวนนั้นขันจะบรรทุกช้างมาก็เหลือกําลังช้างจึงนําตะปูอุดชนวนถิ่งลงในลําน้ําแม่โขงเสียสิ้นและจับม้าที่เหลือตายได้ร้อยเศษพระยาพิชัยสงครามสั่งให้พระยาชนะพลแสนคุมทัพหน้าเดินล่วงหน้าไปก่อน แล้วให้พระพรหมมาทิบดีเรลาขุมกองม้าเฉลยร้อยเศษเดินทัพเป็นลำดับต่อไปแล้วพระยาพิชัยสงครามก็เลิกทัพผลนิกายกลับมาแต่เดินทัพมาทางป่าดงห้าวัน5้าคืนถึงหนทางสามแยกขมินนำทางเรียกชื่อตาบล น, นั้นว่าชาบิแบกแปลเป็นภาษาไทยว่าหนทางสามแพร ทัพพระยาชนะพลแสนเป็นกองทัพหน้าพบกองยวนตั้งสกัดหน้าอยู่ที่หนทางสามแยกจึงมีหนังสือให้ขุนอุดมสมบัติขึ้นม้าเร็วสวนทางลงไปแจ้งความแก่พระยาพิชัยสงครามว่าได้พบกองทัพยวนตั้งอยู่ค่ายหนึ่งที่ตรงหนทางสามแยกประมาณไพร่พลยวนพันเศษได้เห็นธงของไทยตั้งปักอยู่ตามค่ายยวนเป็นอันมากคือธงหนุมานและธงสุครีพ และรงต่างๆอย่างไทยที่มีเลขยันด้วยแล้วเห็นไถ ย, ยวนแต่งกายด้วยเครื่องเสื้อกางเกงหมวกเสนาบุตเป็นเครื่องอย่างไทยประหลาดนะักพระพิชัยสงครามได้ทราบแล้วก็เข้าใจว่าของทัพยวนพวกนี้ที่ทําร้ายพระยานครสวรรค์มาเสร็จแล้วจึงมีเครื่องแต่งกายอย่างไทยมาใช้สอยเป็นแน่คาดคณเนน้าใจยวนที่นําเครื่องไทยมาแต่งกายพวกมัน เพื่อจะคิดให้เป็นเกียรติแก่พวกมันกับจะให้ไทยเห็นแล้วจะได้กลัวอำนาจดวนพระพิชัยสงครามคิดว่าไห้พลไทยมีมาถึงห้าร้อยเศษเพราะจะต่อสู้กับยวนพันคนได้แต่ว่ามีที่ขัดขวางอยู่อย่างหนึ่งคือหมาเจอมันเมื่อจวนตัวเข้าที่ใกล้กันฝ่ายมันมีค่ายรับไทยค่ายหนึ่งฝ่ายไทยจะตั้งค่ายบ้างก็ไม่ทันท่วงที ขันจะยกเข้าโจมตีข่ายวนลองดูกําลังศึกสักหน่อยก็ได้แต่เห็นว่าจะเสียเปรียบยวนมากด้วยไพรพลไทยเดินทัพรีบเร่งมากําลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อลา้าจะไล่ให้เข้าสู้กับยวนยวนกําลังรื่นเรืองมีกําลังกล้าหาญมากเพราะยวนตั้งพักอยู่หลายวันแล้วครั้งนั้นทัพไทยยกมาใกล้ทัพยวนยวนไม่ยกออกมาต่อรบตามธรรมเนียมข่าศึกมาพบกันในที่ใกล้ เห็นแต่ยวนตั้งค่ายมั่นอยู่เป็นปกติจะเป็นเพราะเหตุไรหาทราบไม่ฝ่ายพระยาพิชัยสงครามไม่เห็นยวนยกออกจากค่ายมาตีไทยดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พระยาชนะพลแสนขุมทัพกองหน้าข้ามแม่น้ำผงไปที่นั่นเป็นแม่น้ำตื้นด้วยเป็นปลายน้ำไหลมาแต่ลําธารห้วยกรดขมินนำทางเรียกชื่อว่าแทกสไลแปลเป็นภาษาไทยว่า คลองสารายแล้วกองพระยาพิชัยสงครามก็ยกข้ามคลองสารายไปยวนเห็นกองทัพไทยข้ามคลองไปไม่อยู่ต่อสู้กับยวนยวนจึงยกกองทัพออกจากค่ายโดยเร็วมาตีทัพไทยเมื่อกำลังข้ามคลองนั้นฝ่ายพระยาพิชัยสงครามไล่ต้อนไพร่พลให้กลับหน้าไปต่อสู้กับยวนสู้พรางหนีข้ามคลองมาพลางขณะนั้นไทไม่ตายเลยสักคนเดียว เมื่อข้ามครองสาหลายมาได้หมดแล้วก็ตั้งรับยวนอยู่ที่ฝั่งคลองนั้นฝ่ายยวนก็ยกเพิ่มเดินมามากตั้งอยู่ที่คนละฝ้าคลองคลองนั้นเป็นคูเขตได้ยิงปืนคาบศิลาโต้ตอบกันทั้งสองฝ่ายเป็นศึกรบกันกลางแปลงจนเวลาบ่ายพอเกิดพายุใหญ่และฝนหาใหญ่ตกลงมามากจนดินหูหน้าเพลิงปืนเปียกจะสับนกสักเท่าไหร่ก็ไม่มีไฟติดดินดาในลากล้อง เสื้อกางเกงผลทหารก็เปลียกหนาวสั่นไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายยวนและไทยเห็นว่าหญิงปืนไม่ออกแล้วฝ่ายยวนก็ล่าทัพกลับเข้าค่ายฝ่ายไทยก็ล่าทัพถอยกลับหนีมาทั้งกลางวันและกลางคืนลัดตัดทางมากลางป่ายวนก็หาตามมาไม่ครันฝนหายแล้วยวนยกกองทัพออกจากค่ายหนทางตามแพลิเดินทัพตามตีไทยต่อไปกองทัพยวนถึงฝั่งแม่น้ําน้อย คล้ายๆกับคลองชื่อลําแม่น้ำด้วนคลองตันซึ่งเจ้าพระยานครราชสีมาทําสะพานเรียกข้ามคลองแล้วทําคนอุบายไว้ที่สะพานนั้นด้วยยวนหารู้เหตุการณ์ไม่แม่ทัพยวนจึงไล่ต้อนไพร่พลและช้างมา้าเดินข้ามสะพานเรียกมาเป็นอันมากสะพานเรียกก็หักคลื่นลงในน้ําผู้คนช้างมา้าตกลงในคลองถูกหล่าวที่ไทยปักไว้ใต้สะพานนั้นตายทั้งคนและช้างมา้ามากครัก แม่ทัพยวนเห็นดังนั้นแล้วจึงไล่ให้ไพร่พลช้างหมาหลงที่ริมฝั่งคลองข้ามแม่น้ำไปข้างใต้สะพานและเหนือสะพานครั้งนั้นคนและช้างหมาก็ถูกลาวและขวากกระจับในลำน้ำคลองเจ็บป่วยลำบากล้มตายมากการที่ยวนรีบเร่งติดตามกองทัพไทยไปก็ช้าลงแต่ไพร่พลยวนตายด้วยกลอวยดังนั้นแล้วแม่ทัพยวนยังไม่ทอถอย ของตีกรองศึกสัญญาณเร่งกองทัพให้ยกลงในลำคลองข้ามน้ำไปเนืองๆที่ถูกหล่าและควากระจับตายก็ตายไปที่เหลือตายบ้างก็ข้ามน้ำขึ้นบนตลิ่งได้บ้างเพราะอาชญาสิทธิ์แม่ทัพยวนแข็งแรงยิ่งนักปราศจากเมตตากรุณาเพื่อนมนุษย์ถ้าเข้าศึกสงครามแล้วกองสัญญาณแม่ทัพยังตีเร่งไพรพลอยู่แล้วจะถอยไม่ได้ต้องตายเจ็ดชั่วโคตรเพราะฉะนั้น ไพรพลได้ยินเสียงกรองเตะเร่งอยู่เมื่อใดถ้าวิ่งเข้าไปหาความตายก็ต้องเข้าไปตามบุญตามกรรมเมื่อยวนขึ้นตลิ่งได้บ้างแล้วก็ประชุมไพรพลได้มากจึงรีบยกติดตามกองทัพไทยยวนรีบเดินทัพไปจนถึงทางใหญ่กองทัพยวนถูกฝนหาใหญ่ตกลงมาอีกจนน้ำนองท่วมป่าและทางเดินเมื่อแม่ทัพและนายกองยวนเห็นว่าน้ำท่วมทางป่าไพรพลเดินลุยน้ำไปไม่ไหว แล้วก็กลับทับมายังค่ายที่ตำบลนหุนทางสามแยกดังเก่าครั้งนั้นพวกไพร่พลยวนที่เดินเมื่อยลาป่วยไข้ลําบากเจ็บด้วยบาดแผลถูกกล่าวถูกขวากกระจับเดินช้าอยู่ตามทางป่านั้นพวกขมรจับได้ยวนแปดคนกองหนึ่งหนึ่งกองหนึ่งจับได้สิบคนรวมสิบแปดคนส่งไปให้เจ้าพระยานครราชสีมาเจ้าพระยานครราชสีมาให้ล่ามไตาถามจึงได้ทราบเิตุการในกองทัพยวน แต่ต้นจนที่สุดเมื่อยวนถูกฝนกลับไปนั้นทุกประการดังที่กล่าวมาแต่ข้างบนนั้นแล้วอานามสยามหยุดภาคที่สองตอนที่ยี่สิบสามเจ้าพระยานครราชสีมาตัดหัวยวนห้าร้อยหกสิบสองหัวส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการถวายพระเจ้ากรุงยวนกําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะ โรปรดติดตามตอนต่อไป